ทุจริตสามอย่างนี้สามอย่างเป็นไฉนะคือกายะทุจริตหนึ่งวจีทุจริตหนึ่งมโนทุจริตหนึ่งความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจนี่นะดูกับพิสูจน์ทั้งหลายทุจริตสามอย่างนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประผัดังนี้ว่า บุคคลผู้มีปัญญาสามกระทากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและกระทอาอกุศลกรรมอย่างอื่นอันประกอบด้วยโทษไม่กระทํรกรรกะทากุศลกรรมกระทาอกุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะครับดูในพระสูตรต่างๆนี่นะครับจะพูดถึงคำว่านรกคำว่าสุขติเป็นต้นเนี่ยเป็นปกติเลยนะครับพันแสดงว่า ในสมัยพุทธกาลนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคทรงเน้นหรือทรงให้คำหนึ่งถึงพบหน้าค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าจะมองชีวิตไม่ได้มองกันแค่วันนี้พรุ่งนี้แต่จะมองเป็นพบเป็นชาติแล้วก็ไอ้ที่เรียกว่าพบชาติก็ไม่ได้ว่ามันจะอยู่ไกลอะไรนะครับคือหลายคนมานั่งกำหนดกฎเกณฑ์ว่าตัวเองจะต้องอายุได้เท่านั้นเท่านี้นเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมองว่าชาติหน้าเป็นต้นเนี่ยมันอยู่ไกลแสนไกลนะครับ แต่พระผู้มีพระภาคนั้นจะมองดูเหมือนพระองค์ตัดเหมือนอยู่ใกล้ๆนะครับถามว่าทําไมเพราะว่าปัจจัยแห่งความตายนี่มีมากมายเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ตายปา ร, รืนนี้ตายปีนี้หรือว่าจะตายปีไหนก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นปัจจัยแห่งความตายที่เรียกว่าเสนาแห่งความตายนี่มีมากเหลือเกินนะครับ น, นะรถยนต์งามๆที่วิ่งเร็วๆในถนนนี่ก็คือพยามัจจุราชของเราทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ทุกคนทุกแห่งเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งความตายได้หมดเลยนะครับทุกอย่างแม้กระทั่งอาหารการกินเป็นต้นที่เรียกว่าอร่อยอร่อยเป็นต้นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็แปลไปเป็นยาพิษสามารถพิฆาตให้ดับสิ้นชีวิตได้หมดเลยนะครับพันในพระสูตรต่างๆเนี่ยนะครับจึงพูดถึงเรื่องพบต่อไปคนะติในพบหน้าไม่ว่าจะเป็นสุคติหรือทุคติเนี่ยพูดเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะครับ แล้วอัตถกถาอธิบายว่าการประพฤติชั่วหรือการประพฤติสิ่งเลวร้ายชื่อว่าทูจิจิตนะครับการประพฤติชั่วด้วยกายหรือการประพฤติชั่วที่เป็นไปแล้วทางกายชื่อว่ากายทูจริตนะครับก็ทูจิจิตเหล่านี้ควรจะกล่าวตามบัญญัติบ้างกล่าวตามกรรมบทบ้างนะครับบัญญัติคือพระวินัยบัญญัตินั่นเองนะครับ ในบรรดาทั้งสองอย่างนั้นจะกล่าวตามบัญญัติก่อนการละเมิดศิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ทางกายะทวานชื่อว่ากายะทุจริตถามว่าสิกขาบทไหนบ้างครับที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าละเมิดทางกายะทวานก็เช่นปนาณปฏิบาตนี่ก็แต่ทางกายะทวานนะครับปราชิกข้อ1กายะทวานปราชิชข้อที่2กายะทวานเป็นต้นปราชิกข้อที่3กายะทวานเป็นต้นนะครับ แม้กระทั่งสังขาธิเศตข้อที่1ก็กายัทธาวานข้อที่2ก็กายัทธาวานเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอบัตที่หนักๆ น, กนี่กายัทวานนี่มีหลายข้อนะครับแม้กระทั่งพวกมิสคีทั้งหลายแหลส่วนหนึ่งก็อยู่ในทางกายยัทวานนะครับหรือว่าปาจิตีทั้งหลายนะครับก็อยู่ในกายยัทวารก็เยอะเช่นขุดดินตัดต้นไม้เป็นต้นเนี่ยนะก็อยู่ในกายัทวาน แม้กระทั่งเสกียวัตก็ทางกายทวาร น, นะครับเกี่ยวกับการนุ่งการห่มเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการล่วงละเมิดศิขาบทเหล่านั้นนั้นนะครับนี่เรียกว่ากายธุจริตนะครับอาบัต ท, ที่เป็นทางกายทวารส่วนการละเมิดศิขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ทางวาจีทวานเป็นวจีทุจริตอย่างเช่นอวดอุตริมนุสษษธรรมนี่ก็ล่วงทางวาจีทวานนะครับหรือ แม้กระทั่งสังคาทิเศษนะครับเป็นพ่อสื่อแม่ชักทั้งหลายเนี่ยนะครับพูดให้หญิงมาบำเรลอุนด้วยกามในสํานักมาตุคามหรือว่าพูดเอ่อเกี้ยวหญิงนะครับภาดพิงเมถุนเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นอบัติสังคาทิเศสนะครับหรือแม้กระทั่งนิสกีนิสกีทางวาจามีไหมครับพูดให้เขาน้อมลาบของสงมาเพื่อตนเป็นต้นนะครับให้เขาพูดเพื่อให้เขาเนี่ยเอาของที่จะถวายสงมาเปให้ มาถวายเป็นส่วนตัวซะพวกนี้ก็เป็นวัตถุแห่งนิสกีเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งปา จ, จิตีทั้งหลายปตะกูลมุสาวาตเนี่ยนะครับก็เป็นวัจจีเศกียวัตรเกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมโดยไม่เอื้อเฟื้อต่อสิกขาบทนะครับเช่นนั่งอยู่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ผู้นอนอยู่เป็นต้นนะครับหรือว่าเราอยู่ต่ำกว่าแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เจ็บไข้เนี่ยนะอยู่สูงกว่าเป็นต้นนะครับอันนั้นก็เป็นอบัตทางวจจีทวาร น, นะครับ การละเมิดศีกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ทั้งสองทางเป็นมโนทุจริตนี้เป็นการกล่าวตามบัญญัตินะครับคือกล่าวตามพระวินัยบัญญัติเพราะว่าอาบัติบางอย่างก็สามารถเป็นได้ทั้งสองถาวรเลยนะครับเป็นกายาวาวรด้วยเป็นวจีทวาวรด้วยนะครับถามว่าอะไรครับเช่นอาทินนาทานนี่เป็นทั้งกายทวาวรและวจีถาร น, นะครับรักเองก็ประราชิกใช้ให้คนอื่นลักก็เป็นประราชิกได้เหมือนกันนะครับ นะครับฆ่ามนุษย์ก็ฆ่าเองก็ได้ใช้ใช้ให้เขาไปฆ่าก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกสังฆทิเศตทั้งหลายแล่นี่นะครับทงางวาจีทวานก็คือเช่นเราพูดทางกายทวานอยู่นะการสร้างกุฏิทั้งหลายเนี่ยนะครับการสร้างกุฏิทั้งหลายก็เนื่องด้วยกายทวาน ส่วนเจตนาสามมีปาณาติบาตเป็นต้นที่เกิดขึ้นทั้งทางกายทวารทั้งวจีทวารเป็นกายะทุจริตนะครับคือการทําปาณาติบาต น, นะครับที่พูดถึงกรรมบทนี่ยนะปาณาติบาตนั้นเป็นได้ทั้งกายทวารและวจีทวารอทินนาทานก็เป็นได้ทั้งกายทวารและวจีทวารส่วนกาเมสุมิจฉาจารนั้นเป็นกายทวารอย่างเดียวนะครับนะครับ เจตนาทั้ง4มีมุสาวาตเป็นต้นก็เช่นกันที่เกิดทางกายทวารและวจีทวารชื่อว่าวาจีทุจริตนะครับคือมุสาวาตเนี่ยนะครับโกหกเนี่ยนะโกหกอาศัยทวารกายก็ทําได้นะครับมุสาวาทโดยกายก็เช่นเขียนหนังสือเป็นต้นนะครับหรือใช้คําก็ได้พุสวาจาโดยการเขียนก็ได้นะครับโดยการด่าด้วยปากก็ได้นะครับ สอเสียดนี่ก็ใช้การเขียนเป็นต้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งกายทวานและวจีทาวานธรรมะที่ประกอบด้วยเจตนาสามอย่างคืออภิชาพยาบาทมิจชาทิฐิเชื่อว่าเป็นมโนโทุจริตนะครับคือหมายถึงว่าอภิชานี้ล่วงมาทางกายธาวานก็ได้วจีทวานก็ได้นะครับคิดอยู่เฉยๆก็เป็นมโนทวานาพยาบาทก็เหมือนกันนี่แหลเป็นการกล่าวตามกรรมบทนะครับ ถ้าบัญญัติก็เอาพระวินัยบัญญัติมาเป็นเครื่องวัดนะนะทะลวงทางกายก็เป็นกายยัตุจริตล่วงพระวินัยบัญญัติทางวาจาก็วจีทุจริตนะครับถ้าหากว่าล่วงละเมิดทัางกายทั้งวาจาก็เรียกว่าโมโนทุจริตนะครับส่วนปาณาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิจฉาจานี่ก็ชื่อว่ากายยัตุจริตนะครับนี่พูดตามกรรมบดนะเจตนาที่เป็นไปในมุสาวาตปิสุนาวาจาพฤะสวาาัสดสัมผัสปลาปะอันนี้ก็เรียกว่าจีทุจริต อภิชาพยาบาทมิจฉาทิฐิก็เรียกว่ามโนทุจริตนะครับความชั่วทางกายทั่วทางวาจาและชั่วทางใจส่วนในคาถาที่กล่าวว่าบุคคลผู้มีปัญญาซามนะครับกระทํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและกระทําอกุศลกรรมอย่างอื่นอันประกอบด้วยโทษไม่กระทํรกรรกะทากุศลกรรมกระทําอกุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกเนี่นะครับ ในคาถาทีบายว่าบาปประธรรมที่ถึงกรรมบทนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยความเป็นกายทุจริตเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อความตรงนี้กายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตนั้นหมายถึงที่ครบองค์ ข, ของกรรมบทนะครับที่เป็นกรรมบทเพื่อจะสงเคราะห์เอาบาปรธรรมอย่างอื่นด้วยพระองค์จึงตรัสว่ายันยังโทสะสันหิตัง บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโทสะสันหิตังได้แก่ประกอบด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็คือที่ไม่ล่วงกรรมบดนะนะส่วนล่วงกรรมบทก็เป็นกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตนะนะอกุศลที่เหลือที่ไม่ไม่ครบองค์กรรมบทเรียกว่าอากุศลกรรมอย่างอื่นที่มีโทษนะครับมันพวกนี้พระองค์ตรัสว่าเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะครับการเข้าถึงนรกนี้ท่านบอกว่าตื้นทั้งนั้นนะครับไม่ต้องอธิบายมากนะ เพราะว่าเพราะว่าไรครับให้ลึกซึ้งก็เชื่อที่บายที่ว่าเข้าถึงนรกเป็นยังไงก็ก่อนตายนี่นะครับจิตใจมันกังวนก็วายนี่นะครับแสดงว่าหูเร่าร้อนเดือดร้อนในเวลาใกล้ตายนี่แสดงว่าไปไม่ดีแน่นะครับทําให้นึกถึงนายจุนทะสุสุกริกะนะครับที่ว่าผู้อยู่ในโลกนี้ก็ทุกนะครับไปโลกหน้าก็ทุกทุกในโลกทั้งสองนะฮะใช่ไหมนายจุนทะซึ่งฆ่าหมูอยู่หลาย10ปีนะครับ แม้แต่เนื้อหมูที่จะเคยแบ่งให้ทานเลยก็ไม่เคยทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำบาปประกรรมโดยการฆ่าเป็นอย่างมากมันชีวิตที่เป็นไปกับการฆ่านะนะเป็นชีวิตที่ทุกทรมานนะครับเพราะว่าโทสะเกิดมากนะครับถ้าไม่โทสะก็ฆ่าไม่ได้ถ้ามีการุณาเป็นต้นก็ฆ่าไม่ได้แต่เนื่องจากโทสะนี่มีกำลังกลุ่มรุมมากแล้วพอตายไปนะครับก่อนจะตายนี่ก็ถูก ความเร่าร้อนนี่มันแผดเผานะครับจุติแล้วก็ไปอเวจีอีกนะครับเพราะฉะนั้นทุกข์ในโลกทั้งสองเลยแหละ